วันนี้เป็นวันสุขที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันหยุดราชการพิเศษเป็นวันที่ตรงกับวันตรุ จ, จีนศัทธาญาติโย่พุทธบริษัท ที่มีจิตศรัทธามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดกันเนื่องจากมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็น รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถของพระธรรมคำสอนนี้เป็นรถที่วิเศษกว่ารถของคำสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>คำสอนต่างๆของครูบาอาจารย์ระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมอุดมศึกษา หรือคำสอนของลัทธิต่างๆของาศาสนาต่างๆไม่มีคำสอนของใครที่จะวิเศษเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับวิมุติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถ ทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดุลพ้นจากความทุกข์ใจต่างๆได้หมดสิน้นความทุกข์ใจเช่นความกังวลใจความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจใความเครียดความกลัว ความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจนะ้าแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมาช่วยกำจัดความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราให้หายหมดไปและจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไป นี่แหะคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถของธรรมก็คือรถของก็คือวิมุตตินี่วิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงน่ผู้ที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคือได้จบปริญญาแล้วได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าแล้ว คือได้รับอรหัตผลแล้วจะไม่มีความทุกข์เข้าไปสู่ในใจของท่านอีกต่อไปใจของท่านจะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บร ม, มสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้มีผู้มีศรัทธา ความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่เรียกว่าสันติโกคือเป็นคำสอนที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าหลุดพ้นได้จริงหรือไม่ ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าหลุดพ้นได้เพราะมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ได้หลุดพ้นแล้วเป็นผู้ที่มาบอกให้พวกเราฟังกันอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ก็คือพระอระหรันตสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำขั้นต่างๆจนถึงขั้นวิมุตติธรรมแล้วใจของท่านนี้ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็เอามาบอกพวกเรายืนยันให้พวกเราว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคำสอนที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงใครศึกษาและปฏิบัติตามได้จะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกประการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การเข้าถึงความสุขอันเป็นบรลมังก์มคคือความสุขของพระนิพพานจะไม่ต้องกลับมา เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ mm hmm. พวกเราได้มาเกิดแล้วแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปพบต่อไปก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ไปสู่ความตายนอกจากนั้น หลังจากที่ตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจบลงเพียงเท่านั้นตายไปแล้วจิตที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ก็จะไปต่อไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ต่อและหลังจากที่ได้ชดใช้หรือรับผลของบุญของบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีก การมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดพวกเรานี้ได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาหลายรอบแล้วจํานวนวิรอบของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้นับไม่ถ้วนเขียนด้วยตัวเลขไม่ไหว เขียนด้วยตัวเลขเขียนทั้งวันก็เขียนไม่จบสมม่าเราจะเขียนว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดกี่ครั้งแล้วก็เขียนเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลขศูย์แล้วนั่งเขียนไปทั้งวันอ่ะเขียนด้วยศูนย์ไปเรื่อยๆศูนไปเรื่อย ๆ, อยๆมันก็ยังไม่ได้จำนวนที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านยกตัวอย่างให้เราฟัง ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าการเวียนว่ายตาเกิดของเหล่านี้มีมากี่รอบแล้ว<ม>ท่านบอกว่าให้เอาน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี<ม>้พบนี้ชาตินี้เราเกิดมาเราเคยร้องไห้กันไหมต้องร้องไห้กันทุกคนต้องมีความทุกข์กันทุกคนทุกข์เพราะสูญเสียคนรักเราตอนต้นเราเกิดมาก็เสียผู้หลักขุย เสียปู่ย่าตายายเสียพ่อเสียแม่เสียแล้วก็มีเรื่องอื่นที่ทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจทําให้เราร้องห่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆถ้าเอาน้ําตาที่เราร้องเนี่ยมาเก็บเอาไว้ใส่ขวดเอาไว้สะสมเอาไว้เนี่ยถ้าเอามารวมกันของแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยท่านบอกว่าน้ําตาของพวกเรานี้ มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นดูน้้ำใ น, นทะเลเแถวนี้ออกไปแถวชายทะเลเลองไปดูดูเยอมากมายขนาดไหนแต่น้ำตาของเราที่เราได้หลังมาจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในทะเลนีเสิแล้วเราจะมานั่งเขียนตัวเลขศูนย์ว่าเราเกิดมากี่กี่ครั้งได้อย่างไร เขียนไปตั้งแต่เช้าถึงถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็ยังยังไม่ได้จำนวนของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแล้วมันยังจะต่อไปอีกด้วยมันไม่จบในชาตินี้ภพนี้ตายไปนี้เราถ้าเรายังไม่ได้มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุวิมุติธรรมกันนี้เดี๋ยวเราก็ไปต่ อ, อเพียงแต่ว่าภพนี้ชาตินี้ เป็นโชคของพวกเราเป็นบุญของพวกเราที่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้เราสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้ซึ่งนานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆาที่เราจะได้มาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ พร้อมๆกันทั้งสองอย่างหนึ่งเราต้องเกิดเป็นมนุษย์สองเราต้องพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะมาฟังมารู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของเราว่ามันยาวนานแสนนานขนาดไหนและจะยาวนานต่อไปอีกเท่าไหร่ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วก็เรียนรู้ว่าเราสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายได้อย่าไปคิดว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นของยากจะยากก็อยู่ที่คนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้ายากเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่พวกเรานี้ง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเรามีคนบอกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้เราไม่ต้องเป็นพวกคำพวกตาบอดคําช้าง ถ้าเราเป็นคนตาบอดนี่คิดดูว่าเราจะไปไหนมาไหนนี่ง่ายหรือยากถ้าจะสมมติเกิดตาบอดตอนนี้แล้วไม่มีใครพาเรากลับบ้านนีคิดดูซิว่าก่อนจะกลับไปถึงบ้านได้นี่จะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่าสมมติว่าไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครเข้ามามาพาเรากลับนี่เราต้องกลับไปเองด้วยตาที่มืดบออนี้ จะกลับถึงบ้านได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือลักษณะของพระพุทธเจ้ากับพวกเราพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นเหมือนคนตาบอดคําทางหาทางสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวิยนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาหาทางแห่งการพ้นทุกข์เฉพาะชาตินี้เท่านั้นท่านได้ เพียงพยายามหาทางออกจากการเยิยนว่าตาเกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วเพียงแต่ว่ามาประสบความสําเร็จในชาตินี้เท่านั้นเองอแล้วพอท่านได้พบทางแล้วนี่พอไปบอกผู้ที่ไม่รู้ทางนี่มันง่ายมากเหมือนกับคนที่ตาดีพาคนตาบอดพากลับบ้านบอกคนตาบอดว่า ฉันไม่เห็นไม่รู้ว่าบ้านฉันอยู่ที่ตรงไหนไปอย่างไรคนตาดีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเรารู้ทางพ อ, อมีคนตาดีบอกพาไปเท่านั้นเองเดี๋ยวเดียวก็ถึงบ้านนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้าความยากง่ายที่จะไปสู่วิมุตติสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับพวกเราเพราะมีคนบอกทางมีคนพาเราไปเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มีไกด์เนี่ยเราจะไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนี่แต่พอมีไกด์นี่เราสบายถึงเวลาเขาก็มารับเราขึ้นรถ เราไปดูที่นั่นที่นี่ถ้าเราไม่มีไกด์นี่ต้องเปิดแผนที่ต้องหาหนังสืออ่านต้องหาทางหาถนนหาอะไรร้อยแปดพันประการจงกระทั่งบางทีเราบอกกลับบ้านดีกว่าถ้าเที่ยวแบบนี้เหนื่อยยากกลับบ้านดีกว่าแต่ถ้าเที่ยวแบบมีไกด์นีม่มันสบายถึงเวลาก็เขาก็มารับ พาขึ้นรถพาลงเรือแล้วแต่กรณีพาไปดูไปชมสถานที่ต่างๆพาไปดื่มพาไปรับประทานอาหารอะไรชนิดต่างๆได้อย่างสบายพวกเราก็เหมือนกันพวกเรามีไกด์ไกด์ของพวกเราก็คือพระตะนันหาใยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่มีไกานะยจะไม่มีมัคคุเทศไกาเป็นภาษาฝรั่งเดี๋ยวฟังแล้วไม่เข้าใจต้องแปลซะแต่ว่ามาัคคุเทศก์คือคนนําทางมาัคเนี่ยมัค ก, ก็คือทางก็แต่ทางที่เขาพาไปเที่ยวไม่ใช่ไปทางสู่นิพพาน ทางที่เขาพาไปเที่ยวนี้ยังเป็นทางที่พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเที่ยวแล้วมันจะติดมันก็อยากจะเที่ยวอีกพอตายแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดอีกก็จะได้กลับมาเที่ยวใหม่ต้องเป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดาเนินมรรคที่พระเจ้าทรงสอนคือทางสู่การหลุดพ้น เ, นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ทางที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติแปดข้อด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเช่นมีความเห็นว่าเราเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดเราคือจิตใจเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เรา เรามารับเรามาหาร่างกายเพื่อให้ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆในโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปเจอความทุกข์ต่างๆจากการมีร่างกายนี้ด้วยต้องให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือกิเลตัณหา ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่เราจะต้องชำระและวิธีที่ชำระนั้นก็คือวิธีที่พระเจ้าได้ชำระก็คือต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์้าการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุณล์ทั้งหลายให้ถึงพร้อมนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่ง เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครและมีหน้าที่อะไรถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องละการกระทําบาปทั้งปวงต้องสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมต้องํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงดิเลตันหา ต่างๆที่มีอยู่ในใจของขเราให้หมดสิ้นไปเช่นความอยากเสพกลามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากไปท่องเที่ยวนี่ก็เป็นความเสพกามอย่างหนึ่งอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้ก็เป็นความอยากเสพกามอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเราอยากจะออกกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดเราจาเป็นที่จะต้องหยุดความอยากเหล่านี้ ดังนั้นก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขจากการเป็นนั่นเป็นนี่จากการปฏิบัติข้าวชาอนนี้ก็เป็นความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากมีอยากเข้าอรูปปชาอันนี้ก็เป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เป็นสิ่งที่จะเต็งให้เราต้องกลับมาคึกเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี่คือสา ม, มาทิติข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีความเห็นว่าเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราก็คือละการกระทำบาปสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมํำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราต้องการยุติ การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ได้ดำเนินมาอย่างแสนยาวนานต้องการจะหยุดการหลั่งน้ำตาที่เราได้หลั่งมามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรตังมีความเห็นอย่างนี้เมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้คิดอย่างนี้เวลาคิดก็คิดว่าคิดว่าวันนี้ไปตอนต้ น, นถ้ามไม่มีสัมมาทิจิคิดวันนี้ ว่างไปเที่ยวดีไหมแต ย, ยถ้ามีสัมมาทิฏฐิวันนี้ว่างต้องไปทำบุญสร้างบุญวันนี้ต้องไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลรักษาศีล น, นุ่งขาวห่มขาวอย่างญาติโยมบางท่านนี่เรียกว่ามีสัมมาสังกปรคือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่จะพาให้เราได้ไปสู่วิมุตติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้เองต้องคิดแบบนี้ต้องคิดว่าทุกครั้งที่จะคิดจะทำอะไรนี้ยกเว้นว่าเรื่องที่จาเป็นจะต้องทำเกี่ยวกับการครองชีพเช่นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องไปทางานต้องไปห า, หาเงินหาทองหาอาหารหาเครื่องนุ่งหง่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาะโลกอันนี้ก็เป็นความคิดที่จาเป็นจะต้อง ที่จะต้องทำก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ทำเรื่องนี้ไม่พาให้เราหลุดพนะ้นเพียงแต่ช่วยให้เราได้รักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปได้เท่านั้นเองนอกจากคิดการทมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเราก็ยังต้องคิดเรื่องของการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยอันนี้แนหะเป็นความคิดที่จะพาให้เราไป ไปหลุดพ้นจากกองทุกความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องคิดละบาปวันนี้จะไม่ทำบาปบางคนคิดวันนี้ว่างไปยิงนกตกปลาดีกว่าบางคนชอบตกปลาเดี๋ยวก็ไปออกลงทะเลไปตกปลาบางคนชอบเข้าปา่าไปยิงนกไปล่าสัตว์หรืออย่างอื่นก็ตามเช่น คนที่ชอบเล่นการพนันก็อยากจะไปเข้าบ่อนคนที่ชอบเดิมพ์ลาก็จะไปเดิมพ์โาการกระทาเหล่านี้เป็นบาปไม่ควรกระทาจะไม่ทำให้เราไปถึงวิมุตติได้แต่จะกลับให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการกระทาเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดทำแล้วมันจะติดแล้วมันอยากจะทำอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไปก็อยากจะกลับมามีร่างกายอีกหน่อยเพื่อที่จะได้มาทำกิจกรรมเหน่านี้ต่อไปเห็นเวลาเราคิดจะทำอะไรต้องดูว่าความคิดของเรานี้เป็นไปตามความเห็นที่ถูกต้องอไม่ออเราต้องปฏิบัติพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและการจะหลุดพ้นได้เราก็ต้องไม่ทำบา เป็พอวันนี้ถ้าเราคิดว่าจะไปทำบาปเราก็ต้องห้ามตัวเองว่าวันนี้ทำบาปไม่ได้แล้วถ้าจะไปเที่ยวก็ว่าไปเที่ยวก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปเที่ยวก็จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดไปทำบุญดีกว่าไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญทำทานอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วทุกครั้งที่เราโลภอยากได้อะไรที่ไม่จาเป็นก็ บอกว่าอย่าเอาดีกว่าเอามาแล้วก็เท่านั้นเองเสื้อผ้าเราก็มีพอแล้วรองเท้าก็เองก็มีพอแล้วถ้าไม่พอก็ซื้อได้ถ้าจําเป็นถ้ามันขาดแคลนก็ซื้อได้ถ้าไม่ขาดแคลนไม่มีเหตุมีผลเพียงแต่เห็นว่าสวยเราชอบอยากได้แล้วก็ซื้ออย่างงี้มันก็จะเป็นมันก็จะพาให้ติดนิดสัยเป็นเหมือนยาเสพติดแล้วก็จะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องดิ้นเงินโดนหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปก็กลับมาอยากจะกลับมาซื้อของเหล่านี้งนั้น mm hmm. ต้องต้องหยุดความอยากเหล่านี้ mm hmm. เรียก ว, ว่าชำระใจวิธีชำระใจก็คือการฝืนการไม่กระทําตามความอยากต่างๆ mm hmm. ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทํา mm hmm. ความอยากที่ต้องทําก็คืออยากเข้าวัดนี่ต้องทอําอยากรักษาศีล อยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศฟังธรรมอยากทำบุญทาทานเป็นความอยากที่ดีความอยากเหล่านี้ควรจะอยากกันแต่เรามักจะไม่อยากกันเรามักจะไปอยากทางอย่างทางอื่นมากกว่าอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปซื้อช้อปปิ้งซื้อของสวยๆงาๆอะไรต่างๆมาสวมมาใสมาประดิษฐ์ประดาบ้านช่องของเรา mm hmm. มักจะคิดอย่างนี้กันเสีย มากกว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ให้คิดไปสู่วิมุตติหนุดพ้นถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัโปรคือความคิดที่ถูกต้อง mm hmm. พอเรามีความคิดที่ถูกต้องเราก็รู้แล้วว่าเราต้องมีการกระทาที่ถูกต้อง mm hmm. การกระทาที่ถูกต้องก็คือการไม่ทำบาสนั่นเอง mm hmm. การไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณี กาไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องถ้าเราต้องการวิมุติหลุดพ้นเราต้องมีการกระทําเหล่านี้หรือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่ดื่มสุรายามาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตะไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรไม่เกลียดข้าน นี่คือสิ่งการกระทาที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะนำไปสู่มรรคข้อที่สี่คือการพูดที่ถูกต้องวาจาชอบการพูดที่ถูกต้องก็คือต้องพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดไม่พูดไม่พูดนี้ไม่ถือว่าเป็นการพูดปดใครเขาถามอะไรแล้วเราพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าตอบเฉยๆไปหรือไปพูดเรื่องอื่นแทน พูดเรื่องอากาศวันนี้ร้อนอากาศวันนี้เย็นนะวันนี้ลมพัดแรงอะไรก็ว่าไปก็ได้แต่ถ้าเขาถามเรื่องที่เราถ้าจะเราไม่อยากจะบอกเขาเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเขาได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราพูดได้ถ้าเราไม่พูดสย่างนั้นคือการไม่พูดปดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบเพราะคำหยาบนี้เป็น ภาษาที่ไม่สวยงามเหมือนขยะทางเสียงสังเกตดูเวลาเราฟังคำหยาบแล้วมันรู้สึกว่ามันลาคาญหูฟังแล้วมันไม่ลื่อนลมไม่ไม่สุขฟังแล้วลาคาญหูคนหนึ่งเขาฟังแล้วเขาก็จะลาคาญแล้วเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนหยาบคนที่พูดคาหยาบนี้ก็คือคนหยาบนี่คนที่ไล่การอาดูแล จ, จิตใจดูแลการกระทําของตนได้การฝึกฝนอบรมควบคุมบังคับปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์นี้เวลาเกิดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนี้คําหยาบมันจะออกมากันเขาถึงมีคําพูดว่ากิริยาสออะไรสอสกุลวาจาสออะไร มันจะบอกธาตุแท้ของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเป็นคนดีคนน้าน่ารักนี่เราจะพูดเราจะไม่พูดคำหยาบ ก, กันเราจะพูดวาจาที่สุภาพเราจะพูดความจริงอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ดีของคนดีคนเวลนี้คนไม่ดีนี้คนหยาบ คนต่ำช้าเนี่ยจะพูดจะพูดปดจะพูดคำหยาบนี่และข้อหนึ่งก็คือการพูดเพเจ้อพูดไร้สาระพูดแล้วเอาไม่มีประโยชน์อะไรคำพูดที่พูดออกมาไม่ได้ทำให้มีประโยชน์อะไรพูดแบบนี้เสียเวลาประ่ากเสียเวลาเสียน้ำลายถ้าจะพูดพูดสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ดีกว่า เช่นพูดเรื่องวิชาความรู้ต่างๆวิชาทำกับข้าววิชาเย็บตักเย็บปากถักร้อยหรือวิชาอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าพูดเพ้อเจ้อนินทาการเลด่าคนนั้นว่าคนนี้วิพากวิจาร์คนนั้นคนนี้แซดไปหมดเนี่ยวนี้ในสื่อต่างๆมีแต่เรื่อง เพอร์เจอร์ทั้งนั้นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าสาระแล้วทําให้สังคมนี่สับสนปั่นป่วนไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จกันมั่วกันไปหมดเมากันไปหมดสังคมของคนเมาคือสังคมที่พูดปดกันพูดเพอร์เจอร์กันพูดคําหยาบ ก, กันดูเวลาคนเขียนแต่ละคําหยาบทั้งนั้น เวลาถ้าเจอหน้ากันไม่กล้าพูดเหแบบนี้แหละแต่ถ้าเวลาเขียนนี่โอ้โหกล้าเขียนเขียนชิปหายอะไรเขียนได้แต่พอเจอกันนี่โอ้โหเรียบร้อยเหมือนผ้าพับเอย่างนี้ก็เรียกคนสองหน้าต่อหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งเราต้องไม่ว่าจะรับหลังหรือต่อหน้าเราต้องเรียบร้อยเราต้องมี สมบัติพูดดีสมบัติพูดดีสมบัติพูดดีก็คือพูดความจริงพูดด้วยวาจาที่สุภาพพูดในเรื่องที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์แล้วก็ไม่พูดเพื่อยุยงให้เกิดการแตกแยกสามัคคีกันอย่าไปยุยงให้คนที่เขารักกันไปโกรธไปเกลียดกันบางทีเราอิจช้าเขาเขารักกันดี อยากจะได้แฟนของเขาก็เลยไปยุยงพูดให้เขาเกิดความแตกแยกกันเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเรื่องมีจริงบ้างผ ส, ส, สมปรุงแต่งไปเพื่อให้เขาเกิดความเครือบแคลงสงสัยต่อกันละกันเพื่อที่จะได้แตกแยกกันอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเขา ความทุกข์ของแต่ละคนก็มีมากพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมความทุกข์ให้กับผู้อื mm ่นเขาอีกนี่คือสัมมาวาจาหรือการพูดที่ถูกต้องคาพูดที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าเราพูดดีแล้วไม่มีความทุกข์ตามมาพูดไม่ดีเดี๋ยวไปติดทุกติดตารางได้ใช่ไหมลองล้องกันบินประมาทเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กันแต่ถ้าพูดดีพูดคาจริงพูดวาจาที่สุภาพพูดเรื่องที่มีสาระมีคุณค่ามีประโยชน์พูดเพื่อให้รักกันชอบกันสามัคคีกันไม่มีจะไม่มีโทษตามมาจะไม่มีความทุกข์ตามมาพระเจ้าถึงสอนให้เรามีสัมมาวาจามีการพูดที่ถูกต้องถ้าเราต้องการวิมุติ ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์มันมาได้หลายทางมาทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อกี้ก็พูดทางใจก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปะทางกายก็คือการกระทำนี่อนี้เราก็มาพูดมาทางทางวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรกับคมพูดที่ไม่ถูกต้อง คำพูดที่ไม่ถูกต้องก็คือพูดปดพูดโกหกพูดคําหยาดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอันนี้ไม่ควรพูดให้พูดคําพูดที่ถูกต้องก็คือพูดความจริงพูดด้วยวาจาที่ภเราะสุภาพคะขาครับผมแล้วก็พูดเรื่องที่มีสาระมีคุณประโยชน์ แล้วก็ไม่แล้วก็พูดให้รักกันให้ชอบกันอย่ากเพื่อพูดให้เขาแตกแยกสามัคคีกัน น, นนี่คือสัมมาวาจามรกคข้อที่สี่ทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วเราก็มาข้อที่ห้าซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไว้อยู่นิดหน่อยคือการทำมาหากินเลี้ยงชีพพวาราทุกคนมีร่างกายที่เราจะต้องดูแล ต้องมีอาชีพเห็นอาชีพของพวกเราก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนถึงแม้ไม่โดยตรงก็โดยทางอ้อมก็ไม่ควรเช่นการค้าสุรายามาอยนี้ก็ไม่ควรทําเพราะคนที่มาซื้อสุรานี่เราก็ดื่มมากๆเขาก็มึนเมาเขาก็อาจจะไปอาเราบ้านคนที่บ้านก็ได้ ไปทุบเตไปทุบตีสามีภรรยาทุบตีบุตรธิ่ดาได้เวลาเกิดอาการงึนเมาแล้วเกิดอารมณ์เสียขึ้นมายับยั้งอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำลายผู้อื่นหรือทําลายทรัพย์สินข้าของอยู่ดีๆก็ต้องถูกทุบตีทิ้งไปแล้วก็ต้องเสียเงินเสือทองไปซื้อมาใหม่หรือเอาไปซ่อมนี่เป็นโทษการดื่มสุราเป็นโทษการขายชุราก็เป็นการสนับสนุน ถึงแม้ว่าเราไม่ได้บุญเองแต่ถ้าเราทําอาชีพยอย่างนี้ก็อย่าทําดีกว่าถ้าจะขายอะไรก็อย่าขายยาอยายาขายสุรายามาหรือยาเสพติดต่างๆเพราะมันเป็นโทษกับผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยคือครอบครัวเขาก็จะทุกข์ถ้าคนในครอบครัวเขาติดยาเสพติดหรอติดสุรายาเมาติดบ้างๆนี้จะไม่สามารถที่ไปทำมาหากินได้ ก็อาจจะกลายเป็นอาชจญจากรก็ได้อาจจะไปทำบาปด้วยการเลี้ยงชีพต่อไปอย่าทำอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อยากขายยายาพิษสารพิษต่างๆที่เอาไปใช้ในการาทำลายาวัชพืชหรือสัตว์อะไรต่างๆสำหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทา กษตษกรรมนี้ก็ควรจะทำแบบปลอดสารพิษจะดีกว่าเพราะสารพิษนี้ดีไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาหาเราเนี่ยแหละพอเราไปใส่ไปในดินมันก็เข้าไปในผักแล้วพอเอาผักมากินสารพิษนี้มันก็เข้ามาในร่างกายเราถ้าเข้ามาเยอะๆมันก็มันก็กลายเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมาทำให้เกิดมะเร็งตามที่ต่างๆในร่างกายของเราวิบากรรมมันกลับมาเห็นทันตาโดยที่เรา ถ้าเราไม่วิเคราะห์เราจะไม่รู้แต่ถ้าไม่มีใครขายสารพิษนี่มันก็จะไม่มีสารต่างๆที่จะมาสร้างสารก่อมะเร็งที่จะมาทำให้เกิดมีโรคมะเร็งขึ้นมาฉั้นอีกเรี่ยงอาชีพที่ไปทำให้มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้หรือกับตัวเราอย่าขายกับ เลี้ยงกับสัตว์กับดักสัตว์หรืออาวุธที่ใช้ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเปินผาหน้าไม้อะไรต่างๆแบบนี้หรือพวกเบ็ดพวกแแหเนี่ยก็ที่จะเอาไปใช้ในการาจับสัตว์มากินมาขายอันนี้ก็ไม่ควรจะทำอาชีพเหล่านี้ให้ทำอาชีพที่ไม่ทําให้ผู้อนเขาเสียหาย เป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อ่นเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์ดีกว่าเช่นทำอาชีพขายเสื้อผ้าอย่างนี้ขายรองเท้าขายอาหารขายยาอะไรต่างๆเ่านี้เป็นอาชีพที่ที่เรียกว่าสัมมาอาชีเป็นอาชีพที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องไม่เป็นสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เพราะถ้าให้ความทุกข์กับผู้อื่นเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความทุกข์นั้นมันจะกลับมาหาเราอ่ น, นี่คือสัมมาชีพของชาวพุทธเราเรนจะทำมาชีพอะไรขอให้คำหนึ่งว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเราคิดว่าทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเราก็อาจจะไม่สนใจก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าทำเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำสา ม, มาชีพกัน น, นี่คือมากข้อที่ห้าข้อที่หกก็ให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในในในการกระทาที่เราควรกระทากันขยันทำอะไรก็ขยันละบาปนี่อย่าทำบาปพยายามขยันรักษาศีลให้มากขึ้นเรื่อยๆตอนต้นอาจจะรักษาศีลห้าได้วันอาทิตย์ละครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็นสองครั้งสองวันสามวัน เพิ่มไปไเรื่อยๆจะกระทัง่งต่อไปรักษาศีลได้ทุกวันไม่กระทำบาปตลอดเวลาแล้วก็ขยันทาบุญกันทาบุญชนิดต่างๆทาบุญใส่บาต ท, ทาบุญบริจาค เ, เงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆหรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเพื่อให้มีการเสียสละแบ่งปันยา อย่าหวงเงินหวงทองให้คิดว่าเงินทองนี้มีไว้เพื่อใช้ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บนะเพราะถ้าเก็บไว้ตายไปก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรอยู่ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้รับประโยชน์เงินทองนี้ให้เอามาไว้ใช้แต่ใช้แบบมีเหตุมีผลคือให้แบ่งใช้ประมาณสามส่วนด้วยกัน ใช้เพื่อร่างกายของเรานี้เราก็ต้องใช้มีเงินทองแล้วก็ต้องซื้ออาหารมากินไม่ใช่มีเงินทองแล้วเสียดายเงินอยู่แบบอดอดอยากอยาอดมือกินมือเสียดายเงิ น, อ, น, นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องมีความพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินมากเกินไปก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ตามมาอ้วนเ้ยน้ำหนักเกินนี่เดี๋ยวก็ ไขมันอุดตันเดี๋ยวก็ความดันสูงเบาหวานโรคหัวใจตาไมา่กินพอประมาณกินให้อยู่อย่าอยู่เพื่อกินแบ่งเงินไว้ส่วนนี้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเสื้อผ้าก็พอประมาณมากเกินไปก็ไม่ได้ใช้มันหรอกแขวนไว้ในตู้นั่นแหละเอาเอาเท่าที่จำเป็นเอาที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ที่อยู่อาศัยก็พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่จำเป็นต้องหรูหราถ้าเราไม่มีเงินทองมากก็ไม่ต้องหรูหราไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านอยู่ก็ได้มันก็เหมือนกันเวลานอนหลับมันไม่รู้หรอกว่ามันนอนบ้านเช่าหรือ บ, บ้านซื้อมันไม่รู้ว่าเป็นบ้านเราหรือ บ, บ้านของคนอื่นมันมีไว้สำหรับให้เราหลับนอนเท่านั้นเองฉนั้นอย่าไปใช้เงินทองให้มากเกินไป พรเราต้องแบ่งไว้ใช้อย่างอื่นอีกส่วนหนึ่งนี่คือส่วนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คือปัจจัยสี่อาหาร<อ>เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีไว้สําหรับวันข้างหน้าเก็บไว้บ้างเป็นเงินออมหรือเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะได้ต่อเงินเอาเงินไปอาจจะไปทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มจาก งานประจำที่เรามีอยู่แล้วเอาเงินไปหาหางานเสริมหารายได้เสริมก็ต้องมีเงินลงทุนไปใช้กันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้เอามาทาบุญเอามาทาบุญเพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้เป็นเงินที่เราใช้ต่อไปได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศนี่เราเอาเงินบาทไปไม่ได้นะ เอาไปก็ไม่ใช้ไม่ได้ไปซื้อของตามร้านตามอะไรนี้เขาไม่รับต้องไปแลกที่ธนาคารซึ่งกว่าจะแลกได้ก็ยากบางธนาคารเขาก็ไม่รับแลกนั้นเอาเอาเงินของประเทศที่เราจะไปอยู่ดีกว่าหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราก็จะไปอยู่โลกทิพย์กันตอนนี้เราอยู่โลกธาตุโลกของร่างกายโลกของดินน้ำลมไฟเราต้องใช้เงินทองซื้อดินน้ำลมไฟมา มามาเสกกันแต่เวลาตายไปนี้เงินทองที่เรามีอยู่นี้เอาไปไม่ได้เลยนมแต่บาทเดียวเราต้องเอาบุญไปแทนเนีย่ยต้องแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไว้มาทําบุญอันนี้เรียกว่าให้ขยันทําบุญในสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรละบาปแล้วก็เพียรมาทําบุญกันอย่าเสียดายเงินกับการทําบุญเพราะเป็น เป็นการแลกเปลี่ยนเงินทองไม่ได้เป็นการสูญหายแล้วก็เป็นหรือไม่ใช่นั้นก็เป็นการฝากไว้ในธนาคารบุญก็ได้เพราะว่าถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเรายังต้องกลับมาเกิดอีกเราจะได้อาศัยบุญที่เราฝากไว้ในธนาคารนี้เวลาเรากลับมาเกิดพบหน้าชาตินาถ้าเราทาบุญไม่มากกลับมาพบหน้าชาตินาเราจะมีเงินทองรอเราอยู่กลับมาเกิดในกองเงินกองทองกัน การมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระพุทธเจา้าตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างสุดๆใครอยากจะได้อะไรใครเดือดร้อนอะไรมาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยเต็มที่พอท่านตายไปท่านก็ไปเอาบุญที่ท่านได้ทำนี้ไปใช้ในสวรรค์ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอถึงเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้เป็นอ น, นิสง์ของบุญที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะแบ่งไว้แบ่งงันไว้สามส่วนด้วยกันแบ่งเพื่อที่เราจะได้มีอะไรไว้รองรับเราในปัจจุบันเราก็มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในอนาคตถ้าเราตายไปเราก็มีบุญติดตัวไป ชาติหน้าเวลากลับยังกลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้กลับมาเกิดบุญกองเงินกองทองเนีย่ยเหมือนคนบางคนญาติโยมบางคนนี่เกิดมาสบายไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องหาเงินหาทองพ่อแม่หาทิ้งไว้ให้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนิสงส์งของบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตฉั้นอย่าไปเสียดายเงินทองเกี่ยวถ้าเอาไปใช้ในการทำบุญแล้วถามันไม่ทำให้เราเดือดร้อน เราต้องมีเงินไว้สำหรับเลี้ยงเลีเล้ย ง, ง, งปากเลี้ยงท้องเราด้วยไม่ใช่เอาไปทำหมดแล้วก็ไปขอคนนั้นขอคนนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกเอาเงิน ไ, ไปทำบุญหมดแล้วก็ไปขอไม่มีข้าวกินไม่มีค่าเช่าบ้านอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกเราต้องเลี้ยงตัวเราเองให้ได้ก่อนเอาเอาเงินเก็บไว้ส่วนนี้ไว้ไวเลี้ยงดูตัวเราก่อนแล้วถ้ามีเหลือก็เอาไปทำบุญต่อแต่ห้ามเอาไปทาบุญห้ามเอาไปใช้กับการหาความสุข ต่างๆทางต า, งต า, งตางหูจมูกนิ้งกายเป็นห้ามไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราห้ามไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาเงินเหล่านี้มาทําบุญดีกว่าเพราะาเงินที่ไปใช้กับการท่องเที่ยวนี้มันก็เอาเงินไปทิ้งเหวทิ้งแล้วก็ไม่กลับมาแล้วใช้ไปแล้วก็หมดแล้วไม่มีอ น, นิสงส์อะไรตามมาไม่มีคุณประโยชน์ตามมา มีแต่โทษตามมาเพราะมันจะทำให้เราติดการท่องเที่ยวมันจะทำให้เราต้องติดกับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั่นเองเพราะมันเป็นกามะตันหากามะทันหาความอยากเศพษรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆฉะนั้นเงินใช้แบบนี้ห้ามใช้อย่าอย่าขยันใช้เงินแบบนี้ให้ใช้เงินให้ขยันใช้เงินกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช้กับการ ออมหรือใช้กับการลงทุนเพื่อหาเงินเพิ่มแล้วก็ใช้กับการทำบุญทำทานแล้วก็ให้มีความขยันรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้รักษาได้เท่าไหร่ถ้ายังมีต้องรักษาเพิ่มได้ก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆจากศีลห้าก็ถือศีลแปดดูตอนต้อนกาจะถือศีลแปดอาทิตย์ละวันวันพระนี่ก็ถือศีลแปด วันธรรมดาก็ถือศีลห้าแล้วต่อไปก็อาจจะเพิ่มศีลแปดจากวันพระเป็นสองวันเป็นสามวันต่อไปอาจจะรักษาศีลแปดได้ทุกวันก็ได้ถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะได้ไปไปชําระใจได้ใจนี้จะชําระได้ต้องเกิดจากการ ป, ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนาจิตภาวนานี้คือเป็นวิธีชําระ ความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจการทาบุญทาทานนี้ไม่ได้ชำระเพียงแต่เพียงแต่ลดจำนวนนงตัดกำลังมันนงตัดกำลังของกิเลสตัณหารักษาศีลก็ตัดกำลังของกิเลสตัณหาทาบุญทาทานก็ตัดกาลังของกิเลสตัณหาแต่มันไม่หายมันไม่ตายถ้าเราวันไหนขี้เกียจรักษามันก็กลับมาได้ ที่เกียรติรักษาศีลมันก็กลับมาได้ที่เกียรติทำบุญทําทางกิเลสตัณหามันก็กลับมาได้ถ้าไม่อยากจะให้มันกลับมาเพื่อที่จะเป็นตัวที่มาคอยฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องชําระมันให้หายไปอย่างราบคาบแล้วเครื่องมือที่จะชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างราบคาบนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนานี่การที่เราจะปฏิบัติธรรมได้เราก็ต้อง มีเวลาการจะมีเวลาก็คือการรักษาศีลแปนี่ถ้าเรารักษาศีลแปดเราก็จะไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ศีลแปดห้ามไม่ได้ห้ามร่วมหลับนอนกับแฟนห้ามไปงานเลี้ยงในายามค่ำกลางคืนห้ามกินอาหารเย็นห้ามไปดูหนังมอ o r r o บพบันเทิงห้ามไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามเพราะมันเสียเวลา เอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่าแล้วห้ามหลับนอนบนผูกบนเตียงที่ใหญ่ที่สำราญที่สุขที่สบายมากเกินไปให้อนอนบนบนที่นอนที่มันไม่สบายเพื่อจะได้ไม่นอนมากนอนบนพื้นแข็งๆเช่นนอนกับพื้นแล้วก็ปูผ้าปูเสือ่อก็พอเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วมันจะตืน่นขึ้นมา แล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงสำรานฟูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็เลยขอนอนต่ออีกหลายชั่วโมงเสียเวลาอันมีค่าไปเราต้องรีบชำระใจกันเพราะว่าชีวิตของเรานี้จะจบลงเมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้นะอาจจะจบลงเย็นนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่มีใครกำหนดรู้ได้เรื่องของการสิ้นสุดชีวิตของพวกเรายันพระเจ้าจึงสอนว่าจงย่าประมาทให้มันเตือนตนเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกนี้เท่านั้นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดหายใจร่างกายมันไม่มี ขีดวัดเหมือนกับเกย์รถยนต์เนี่ยรถยนต์ยังมีเกบอกน้ํามันว่าเหลือเท่าไหร่นะเหลือครึ่งถังเหลือเต็มถังเหลือหรือเกือบจะหมดเนี่ยมันยังมีมาสให้เราเห็นมีเกยให้เราเห็นอยู่แต่ร่างกายของเราการหายใจของเรามันไม่มีเกบอกนะว่าจะหายใจกี่ครั้งหรือลมหายใจอีกกี่เท่าไหร่มันไม่มีดั้นเราก็ต้องไม่ประมาทเราต้องคิดว่ามันอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้ งั้นตอนนี้เรามีลมหายใจอยู่อย่าเอาไปทากิจกรรมที่ไร้สาระไร้ประโยชน์กิจกรรมที่ไม่นำไปสู่วิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่าไปทำเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลามาทำกิจกรรมที่จะมาทาให้จิตหลุดพ้นดีตกับและกิจกรรมที่สาคัญที่สุดก็คือการชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนานี่เอง คือการมาฝึกสมาธิและมาเจริญปัญญาจิตตะภาวนานี้แบ่งไว้สองตอนด้วยกันตอนแรกเรียกว่าการทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิตอนที่สองการสร้างปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดเพื่อที่จะมาหยุดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจความอยากจะหมดจากใจได้ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ถ้ายังเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นสุขอยู่นี่มันก็จะหยุดความอยากไม่ได้เป็นตอนนี้ญาติโยม ย, ยังอาจจะเห็นว่ า, าการมีเงินมีทองเป็นความสุขอยู่นถ้าเห็นว่าการมีเงินมีทองเป็นความสุขญาติโยมก็จะเอาเวลาไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอาเงินทองไปซื้อของที่เราอยากซื้อมันก็เลยทําให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะความอยากจะลดน้อยลง การที่จะทําให้ความอยากลดน้อยลงต้องหันว่าการมีเงินนี่มันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะหนึ่งต้องหาเวลาหาเงินมันสุขหรือเปล่าหาเงินนี่ต้องเนหน็ดเหนื่อยเมื่อล้รต้องทํางานทําการแล้วพอได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาอีกพอใช้หมดก็ทุกข์อีกแล้วไม่เงินไม่พอใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาอีก <S <S องั้นอย่าไปใช้เงินได้ดีกว่ามาอยู่แบบนักบวชนี่หัดอยู่แบบนักบวชไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อ ซื้อเท่าที่จําเป็นเท่านั้นของที่ไม่จําเป็นอยากซื้อแล้วจะทําให้เราไม่ต้องอาศัยเงินทองมากจนเกินไปอันนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นสุขมันก็อยากหาเงินหาทองอยากได้เงินได้ทองอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มองว่าเวลาเงินทองหมดแล้วมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่แล้วเราต้องมองเวลามันหมดอย่าไป ม, มองตอนที่เราได้ได้เวลาที่เราได้อะไรมานี้มันให้ความสุขกับเรา อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้มาก็ดีใจกันมีความสุขกันอยากจะได้ของใหม่ๆเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆพอซื้อมาก็ดีใจกันแต่เดี๋ยวไม่กี่วันมันก็หมดละความดีใจนั้นก็หมดล้ะเสื้อผ้าที่ที่ซื้อมาก็แขวนไว้อยู่ในตู้ดูยังไงก็ไม่สุขเหมือนตอนที่มันอยู่ในร้าน <laughs> ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านใหม่ก็ต้องเสียเงินอีกแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อทีนี้ก็จะทุกข์ละ เห็นอะไรอยากได้ก็ไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์อีกคิดให้ดีนะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวอย่าไปพึ่งมันดีกว่าพึ่งมันแล้วเวลามันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์มันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์นี่คือการเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปตอนต้นมันอาจจะเป็นสุข แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์เนีคนที่เราพบใหม่ๆนี้โอ้ดีไปหมดใช่ไหมพูดอะไรก็ดีไปหมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปไมันไม่ดีเหมือนตอนที่พบกันใหม่ๆแล้วทําไปทำมาต่อไปก็เบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยกันทุกข์แล้วเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเห็นหน้าก็ทุกข์แล้วอันนี้แหละคือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราอยากได้กันขอให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปต้องมีการพัดพากจากกันเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราก็ร้องหม่มร้องไห้กันเลยนี่คือการเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เท่านั้นถึงจะทําให้เราหยุดความอยากได้แต่ก่อนที่เราจะหยุดความอยากได้ถึงแม้จะเห็นด้วยปัญญาแล้วก็ตาม ถ้าเราไม่มีกำลังก็หยุดไม่ได้เราก็เลยต้องสร้างกำลังหยุดของใจกำลังหยุดของใจก็คือสมาธินั่นเองเนี่ยเวลาที่เรานั่งสมาธิเราทำอะไรเรามานั่งหยุดใจกันนะหยุดคิดหยุดอยากหยุดอะไรต่างๆด้วยการเจริญสติเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะหยุดใจห้ามใจพอเราหยุดใจได้ห้ามใจได้ เวลาเราใจอยากได้อะไรเราก็ใช้ปัญญาบอกว่าอยากไปอยากนะอยากได้มาแล้วเดี๋ยวจะทุกข์นะเวลาหมดมันก็ทุกข์นะเวลามันจากเราไปมันก็ทุกขนะ์เวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทุกข์นะีงั้นอย่าไปอยากดีกว่าอย่าไปมีดีกว่าพอเห็นด้วยเหตุผลแล้วมันก็ต่อไปมันก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็มีกําลังหยุดมันมีสมาธิที่เราได้ฝึกได้สอนใจให้หยุด ใจแล้วก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาขับรถยนต์หัดขับรถยนต์นี่เราต้องรู้จักวิธีขับใช่ไหมวิธีทําให้มันวิ่งแล้วพอมันวิ่งแล้วก็ต้องรู้จักวิธีทําให้มันหยุดถ้าไม่รู้จักวิธีทําให้มันหยุดเดี๋ยววิ่งไปก็ชนกันแหลกฉันใดตอนนี้พวกเราไม่รู้จักวิธีหยุดใจรู้จักวิธีแต่ขับใจรู้จักวิธีเหยียบคันเร่งควาเร่งก็คือความอยากอยากทำอะไรก็ไปทําอยากได้อะไรก็ไปหามา แต่ไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากกันพอถึงเวลาถูกบังคับให้ให้หยุดความอยากก็ทุกข์เหมือนกับรถที่ต้องไปชนอะไรถึงจะหยุดรถเวลาชนมันก็เจ็บละถ้าเป็นคนคนไปเดินชนอะไรเข้ามันก็ต้องเจ็บใจเราก็เหมือนกันใจเวลาเวลาที่ถูกบังคับให้ให้หยุดการกับความอยากคือทําความอยากไม่ได้เช่นตอนนี้อยากจะออกไปนอกบ้านไปเที่ยวนี้ไปไม่ได้ ต้องอยู่บ้านมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนะเพราะเราไม่รู้จักการหยุดเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีหยุดแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจนะเพราะการถ้ารู้จักวิธีหยุดแล้วการหยุดใจนี่แหละเป็นการทำให้ใจเรามีความสุขเพราะเวลาใจเราสงบแล้วนี่ใจเราจะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราต้องฝึกท้องอย่าง ฝึกสมาธิก่อนเพื่อให้ให้เรารู้จักวิธีหยุดใจหยุดใจอย่างมีความสุขแล้วเราก็ไปสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราอยากได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งต่างๆทั้งคนทั้งอะไรเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์กันเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไป มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้หยุดอยากหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนนทหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ พอเราหยุดทั้งความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะโผล่ ข, ขึ้นมาผลของวิมุตติก็คือนิพพานนี่นิบานังปรมังสุขขังก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหยุดน้าตาที่เคยหลั่งก็จะเหือดแห้งหายไปหมด ภพชาติที่เคยก่อก็จะยุติลงในเวะลาที่จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์นี่แหละคือลถแห่งธรรมที่พวกเรามุ่งเข้ามาหากันมาศึกษากันมาปฏิบัติกันขอให้เราพยายามทำให้มากเอาเวลาที่เราไปใช้กับภารกิจอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นมาใช้กับการศึกษามาใช้กับการปฏิบัติธรรมดีกว่า เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีสาระมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เอาไปทำกับเรื่องอื่นนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเช่นประโยชน์ทางร่างกายก็เป็นประโยชน์ชนั่วคราวชั่วแค่ร่างกายอยู่ทนั้นเองร่างกายนี้ไม่นานก็ต้องตายไปเลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องตายไปก็จบลงเวลาที่เราใช้กับมันก็หมดไป แต่ถ้าเอาเวลามาใช้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเรายังไม่สำเร็จในชาตินี้เราไปทำต่อได้สิ่งต่างๆที่เราทำในชาตินี้เราไปทำต่อเหมือนกับถ้าเราเรียนหนังสืออยู่ชั้นนี้แล้วเราต้องย้ายย้ายไปอยู่ที่อื่นเช่นเราอยู่ม .4 จบม .4 พอเราย้ายไปอยู่ที่นูน้ก็ไปสมัครเรียนม .5 ได้เลยต่อได้แต่ถ้าใช้กับร่างกายนี้เวลากลับมาเกิดใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ เงินทางที่เราใช้เลี้ยงดูร่างกายชาตินี้มันไม่มากับเราในชาติหน้าเราก็ต้องหาใหม่แต่ธรรมะที่เราได้มาปฏิบัติกันมรที่เราได้มาสร้างกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอะไรต่างๆแปดข้อนี้มันจะติดไปกับใจของเรามันจะอยู่มันไม่หายไปแล้วเราเพียงแต่ไปทำต่อถ้าเรายังทำไม่สาเร็จในชาตินี้นี่คือเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสาคัญกัน คือการศึกษาการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อวิมุติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรติสขลังเอวามววอตโตชินังเปตานังอุปกปฏิ อิติตังปัิตังตุหังคิปเปเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปามันโทปนะราสสยธาอะนิโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวจันตุสัพพะโรโววินัสตุ มาเตภวะตอันตรายูสุขิทีขายุโกภวะอภพิวาธนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมาวาทานติอายุวนสุขังภาลังฮัลโหลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเรื่องแล้วจะไม่สะดวกไม่มีเวลาที่จะตอบคำถามได้งค์ ใ, ใครอยากจะถามอะไรก็เชิญเข้ามาถามได้เลยถ้าอยากจะถามเองถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็าได้วันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา449 YouTube 252วิทยุออนไลน์6ผู้รับฟังด้านหน้ากุฏิ86รวมทั้งหมด793ครับถ้ามีคำถามก็เชิญอานได้เลยคำถามจากผู้ฝากถามที่ข้างหน้ากุฏินะครับมีทั้งหมด4คำถามคำถามแรก ตอนเป็นเด็กถูกเพื่อนบูลลี่จนต้องย้ายโรงเรียนแขนและฝังใจเจ็บมากครับปัจจุบันเป็นครูต้องมาตัดสินคดีทะเลาะเบาะแวงของนักเรียนใจไม่เป็นกลางครับมีอคติเหมือนเหตุการณ์ซ้ําๆเวียนมายิ่งคิดยิ่งแคนครับควรใช้หลักธรรมะข้ออะไรครับก็ต้องใช้ความจริงน่ย ใครผิดก็ว่าผิดใครถูกถก็ว่าถูกไปทั้งนั้นเองคำถามที่สองในหน่วยงานมีคนนิสัยเป็นคนพานชอบพูดจาส่อเสียดทิมแทงด่าคนนู้นคนนีท้ทั้งทั้งที่หน้าที่การงานของเขาเองคือคนทำความสะอาดเมื่อต้องอยู่ทำงานด้วยกัน จะต้องทําตัวอย่างไรครับหัวหน้าได้ว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้วแต่ก็นิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับก็เราก็อย่าไปสนใจเขาสิเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาเป็นนกเราจะไปทําให้เขาเป็นปลาไม่ได้หรอกเขาเป็นปลาจะไปทําให้เขาเป็นนกไม่ได้เขาเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราถ้าไม่ชอบเราก็หลีกเลี่ยงไปก็แล้ว ก, กันถ้าไม่จําเป็นจะต้อง เข้าใกล้ก็อยากเข้าไปใกล้กันถ้าจําเป็นก็ทําใจเมตตาก็ได้ไปเมตตาเขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรก็ถ้าเป็นความสุขของเขาก็สาทุกไปไไหรือไม่ก็ทําใจให้เป็นอุบเบกขาเฉยๆไปคําถามที่สามการทําบุญกับคนที่คิดไม่ดีกับเราเราจะได้บุญไหมครับได้ ยิ่งดีถ้าอย่างถ้าทำกับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนจากคิดไม่ดีมาคิดดีกับเราก็ได้เรียกว่าเอาสร้างมิตรจากจากการจากศัตรูนี่ดีที่สุดแต่ยากที่สุดแต่ถ้าทําได้แล้วก็จะสบายได้นกสองตัวได้กําจัดศัตรูแล้วก็ได้มิตรเพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันคําถามที่สี่ถามว่าผู้หญิง ที่มีสามีและผู้ชายก็มีภรรยาแล้วแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนทามาหลายปีสังคมก็รู้เห็นจะเป็นบาปไหมครับแต่สามีและภรรยาของตนไม่รู้ถ้าบาปจะมีผลอย่างไรทั้งโลกนี้และเมื่อตายไปโลกหน้าครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดตัวณีผิดศีลข้อ 3. สศีลข้อสก็หนึ่งก็จะทำให้อยู่ อยู่อย่างระหวาดละแวงกันสามีภรรยาก็เขาเขาอาจจะไม่รู้แต่เรารู้เราก็จะหวาดะแวงว่าเขารู้หรือเปล่าก็ไม่มีความสุขกับกคู่ครองของเราเพราะเราไปนอกใจเขาเสียแล้ว อ, อันนี้ก็ไปต่อไปข้างหน้าก็อาจจะถูกเขาทำกับเราก็ได้ <laughs> <laughs> เราทำกับเขาได้ต่อไปภรรยาและสามีของเราก็อาจจะทำแบบนี้กับเราก็ได้กงกรรมกงเกวียน ทำอะไรกับไทยก็จะได้อย่างนั้นกลับมาคำถามต่อไปจากคุณพนุรัต์กรรมทางไหนให้ผลหนักที่สุดเช่นวจีกรรมมโนกรรมและกายกรรมกรรมที่ให้ผลหนักที่สุดคืออันไหนครับกรรมที่หนักที่สุดเนี่ยมันมีอยู่ห้าข้อในการหนึ่งฆ่าพระอรหันต์สองฆ่าพ่อฆ่าแม่ สามอาสี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกอันนี้ถือ ว, ว่าเป็นกรรมหนักที่สุดผู้ที่กระทากรรมนี้ก็คือพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเททตนี่ยโยงให้สงแตกแยกกันให้เป็นสองฝ่ายฝ่ายพระพุทธเจ้าฝ่ายของเทวทัตยอย่างนี้เรียก ว, ว่าเป็นทำให้สงแตกแยก แล้วก็พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ไม่สําเร็จทําได้เพียงแต่ทําให้ห่อเลือดเศษหินกระเด็นไปทําให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดการกระทาแบบบาปแบบนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นการกระทําบาปที่หนักที่สุดตายไปต้องไปตกนรกที่ขุมนึกที่สุดที่ทุกข์ที่สุดที่ร้อนที่สุด คำถามต่อไปจากคุณพนุรัตเวลาที่ผมไปหาแม่แม่ผมอายุ88ปีแล้วผมจะคอยบอกแม่ให้ปล่อยวางเรื่องสังขารและความเจ็บไข้ได้ป่วยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมทำแบบนี้จะเป็นการสั่งสอนแม่และจะเป็นบาปไหมครับก็ถ้าแม่สนใจฟังก็กสอนได้บอกได้ แต่ถ้าแมไม่อยากจะฟังแล้วไปยัดเยียดให้เธอฟังก็ไม่ควรมันก็จะไม่อยู่ในฐานะของเราแต่จะว่าบาปไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าควรหรือไม่ควรเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณลากรเกี่ยวกับเรื่องบุพเพสันนิวาตคู่แท้คู่ชีวิตมีอยู่จริงหรือไม่ครับเพราะคนเราสมัยนี้ มองกันรักกันด้วยสิ่งของวัตถุนิยมขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับก็มีมีจริงและมีไม่จริงมีจริงอาจจะมีน้อยแต่มีแบบไม่จริงก็าคิดกันว่าเป็นบุพเพกันมาแต่บุพเพกันไม่กี่วันกี่เดือนเดี๋ยวก็แยกทางกันอันนี้ก็ไม่จริงก็ต้องดูว่าถ้าจริงมันก็ถ้า อ, อยู่กันไปตลอดจนวันตายนั่นแหละจะเป็นของจริง ก็มีแต่ก็ยัไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่มีบุพเพกับใครเรามันเดียวมาตลอดใช้เดียวมาตลอดอยู่กับใครก็ไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณสุวิมนเวลาที่เรานั่งสมาธิจะเห็นแสงสีต่างๆควรทําอย่างไรครับเพราะนั่งทุกครั้งก็จะติดอยู่กับสิ่งนี้ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําด้วยครับไม่ควรไม่สนใจควรจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธต่อไปอย่าทิ้งพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธอย่าทิ้งลมถ้าเราใช้ลมอะไรจะปรากฏขึ้นมาจะเป็นแสงสีเสียงหรืออะไรก็ตาม รูปอะไรก็ตามอย่าไปสนใจถ้าสนใจพวกแสดงว่าเราติดละเราหยุดการภาวนาละเราต้องอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเหมือนกับเราจะเดินทางจากที่นี่กลับไปกรุงเทพเนี้ยเราต้องอยู่ในรถไม่ใช่ลับรถไปกลางทางเห็นเขามีขายขนมก็จอดลงกินขนมเห็นเขามีหนังฉายก็แวะดูหนังกันอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงบ้านกัน เป็นต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่ในรถขับรถไปอย่าลงจากรถการนั่งสมาธิก็เพื่อให้เราเข้าสู่ความสงบ mm hmm. จะสงบได้เราก็ต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วแต่กรณีแล้วก็อย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราดูลมหรือพุโทโธไปคำถามจากคุณปราการขอพระอาจารย์เมตตา อบรมสั่งสอนวิธีการนั่งสมาธิในขั้นเริ่มแรกด้วยครับอ๋อก็ง่ายวิธีนั่งสมาธิก็หาที่สงบที่เงียบไม่มีใครมารบกวนเราแล้วก็นั่งตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงให้สบายแต่อย่า ง, งอเพราะมันจะหลับง่ายนั่งตัวให้ตรงพอเราตั้งร่างกายเรียบร้อยแล้วจะนั่งกับเก้าอี้ก็ได้นั่งขับเพื่อก็ได้แล้วแต่เราจะ ถ, ถนัด นั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งกับพื้นไปถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งขอบเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้อย่างที่เรานั่งอย่างนี้ก็ได้พอตั้งท่านั่งให้เรียบร้อยแล้วก็พอเราเริ่มภาวนาก็ไม่ต้องไปสนใจกับท่านั่งการภาวนาการนั่งสมาธิก็ต้องมีอารมณ์ยึดเหนียวจิตใจจะเป็นคำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะเป็นการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือบางทีจะเอาสองอยา่างปนกันก็ได้เช่นบางคนก็ดูลมด้วยพุทธโทธโด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธโก็ได้หรือจะเอาลมหายใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้หรือจะใช้พุทธโธโดยไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ก็มีเท่า น, นี้การนั่งสมาธิอยู่ที่ว่าจะทาได้หรือไม่ได้จะพุทธโทธได้สกักกี่วินาที จะดูลมได้กี่วินาทีเท่านั้นน่ะที่เป็นปัญหาที่ดูไม่ได้นานก็เพราะยังไม่ได้ฝึกสติมามากพองั้นก่อนจะนั่งถ้ามีถ้าฝึกสติมาได้ก่อนจะดีกว่าพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาอย่าให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จําเป็นพอไม่จําเป็นถ้าจะคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธอยู่มันหรือไม่เช่นนั้นก็คอยผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายกําลัางทําอะไรก็ดูมันไปอย่าไปให้ไปทําอย่าให้ไปที่อื่นเราชอบดูร่างกายแล้วเราก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อต้องอยู่กับเรื่องร่างกายเพียงเรื่องเดียวถ้าเรามีสติอย่างนี้แล้วเวลานั่งก็จะอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธได้แล้วใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วคําถามจากคุณวิจัย ถ้าเรายอมตายแทนคนอื่นจะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ครับและผลที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราความตายไม่ได้เกิดจากการกระทําของเราเองเช่นสมมติว่าเขาจะผหาชีวิตคนนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะมาถ่ายชีวิตคนนี้ก็ได้เราก็ไปยอมถ่ายเอาเราไปตายแทนเขาอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะคนอื่นฆ่าเรา เป็นแต่เรายอมให้เขาฆ่าไม่เป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้ายอมตายแล้วก็แล้วค้าฆ่าด้วยนี่ก็กเช่นพอยอมตายแล้วก็เลยมาเอาอะไรมาอุดจมูกไม่ให้หายใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายต้องให้มันตายเองโดยธรรมชาติหรือตายด้วยผู้อื่นแต่อย่าตายด้วยจะเกิดจากการกระทําของเราก็แล้วกันเพราะาไม่เป็นการฆ่าตัวตาย คำถามจากคุณพันธนานช่วงนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นและความกังวลใจทำให้ไม่สงบเลยครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็พุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้เวลาฟุ้งซ่านไม่มีความสงบก็สวดมนต์ไปนานๆแต่เพิ่งสวดแค่สองสามวินาทีแล้วก็หยุดมันไม่พอหรอกต้องสวดสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจะเอามันอยู่ ยาพุทสวดไปก็ได้ถ้าขีเา้เกียจสวดยาวก็สั้นๆพุทธโทรก็ได้ขอให้ใจมีงานทำให้มีการสวด ม, มีการบริกรรมแล้วเดี๋ยวมันก็ยุติการคิดปรุงแต่งพุ่งสั้นไดค้คำถามจากผู้ฝากถามก่อนจะถึงอริยภูมิในแต่ละขั้นต้องมีต้องมีอาการในพระอริยมรรคสามัคคีอย่างไรบ้างครับเคยได้ฟังว่าจะมี อาการเช่นอาการดีดผึงไฟช็อตหรือโรคกระแถล่มเป็นต้นเป็นกับทุกท่านไหมครับไม่ทุกท่านหรอกแล้วแต่ละคนวิธีที่จิต จ, จะรวมจิตที่จะตัดกิเลสกิเลสจะตายของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนตายแบบสงบสงบยอมตายบางคนก็ฝืนสู้แหลกมันก็เหมือนกันนักวยที่ชกกันบนเวนทีบางทีต้องน็อกกันมันถึงจะยอมแพ้บางทีก็ยกมือแพ้เลยพอและยอมแพ้เลย อันนี้ก็แล้วแต่กรณีของแต่ละคนไม่ต้องไปสนใจน เ, นเรื่องของคนอื่นดูเรื่องของเรากแล้วกันว่าดูกิเลสของเรามันยอมตายหรือเปล่ามันยอมแพ้หรือเปล่าคําถามจากคุณพนุรัตในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมในบางครั้งผมทานข้าวอยู่บ้านบางครั้งก็เข้าห้องน้ําและฟังธรรมไปด้วยจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเี่ย ถ้าไปทำกับคนอื่นมันก็ต้องสงํารวมแสดงความเคารพในธรรมถึงแม้อยู่คนเดียวบางทีก็ไม่ควรไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็ถือว่าหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ฟังแบบทุ่มเทเต็มที่เพราะเวลาทำอย่างอื่นมันต้องแบ่งใจไปสองที่แบ่งมาที่ฟังธรรมแล้วก็กลับไปทำในสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ได้เต็มร้อยควรจะนั่งเฉย กายวาจาใจต้องสงบกายก็ไม่เคลื่อนไหววาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมจะได้เต็มร้อ ย, อยถ้าไปทำอย่างอื่นมันก็จะได้ห้าสิบห้าสิบแล้วห้าสิบห้าสิบนี้ก็อาจจะทำให้ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เต็มรอ้อย่างนั้นถ้าอยากจะให้เกิดผลจากการฟังธรรมนี้ต้อง ตายว่าใ จ, จาที่สงบเต็มร้อยเนันั้นขอให้เราไม่ควรที่จะไปทำอย่างอื่นถ้าฟังธรรมถ้าอยากจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่บางทีดีไม่ดีอาจจะบรรลุธทรขึ้นมาเลยก็ได้ฉนนั้นต้องต้องเปิดวิธีใหม่จะดีกว่าเกืว้นมัน กรณีจําเป็นจริงๆต้องเข้าห้องน้ําเพราะมันจะถ่ายนี่มันห้ามไม่ได้ก็ต้องไปแต่ถ้ามันห้ามได้ก็อย่าพึ่งไปพีายามนั่งเฉยๆทำไมฉะนั้นก็ปิดธรรมะไว้ก่อนชั่วคราวแล้วกลับมาฟังใหม่ได้สมัยนี้ฟังธรรมแบบแบบเป็นตอนๆได้เพราะมันเป็นของที่บันทึกไว้พอฟังถึงตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่สะดวกที่จะฟังแล้วก็พักไว้ก่อนไปทํากิจที่เราต้องทําให้มันเสร็จก่อน แต่แล้วก็กลับมาทําใหม่ต่อดีกว่าแต่อย่าทําอะไรพร้อมๆกันกับการฟังธรรมมันจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรคำถามจะคุณจะรู้วันมีหลานชายไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเจ้าคะ่ะจะอธิบายอย่างไรดีครับก็ไม่ต้องอธิบายจนถึงไม่เชื่อก็จบจเหมือนจะเป็นเรื่องยาวใหญ่โตอะไรเขาไม่เชื่ออย่าไปทําให้เขาเชื่ อ, อยังไงใช่ไหม ของอย่างนี้มันเรื่องของความเห็นของเขาอ่ะถ้าเขาไม่ยอมเชื่อสัอย่างพูดไปปากเปียกปากเขียงฉียังไงก็ไม่เชื่อถึงแม้เห็นเห็นก็ยังไม่เชื่อเนี่ยทำไมยุคนี้มีพวกนี้เยอะไม่เชื่อวัคซีนเนี่ยกูไม่เชื่อสัอย่างเนีกูไม่ฉีดเนี่ยใครจะว่าไงกูไม่เชื่อหน้ากากกูก็ไม่ยอมใส่หน้ากากเห็นไหมต่อให้หมอก็มายืนยันนอนยันว่ามันเป็นประโยชน์เขาก็ไม่เชื่ออย่างนั้นถ้าไม่เชื่อกันแล้วไปก็จบเรามีหน้าที่บอกเขาแล้ว้ง ถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยผิดเนี่ยเราผิดแต่ถ้าเราบอกเขาแล้วว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนะเพีงแต่ว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดยังมองไม่เห็นเหมือนคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่คนที่เชื่อพระพุทธเจ้านี้เขาไปพิสูจน์แล้วเขาก็เห็นว่าเป็นไปตามที่พุทธเจ้าพูดทุกอย่างไม่มีใครมาค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่คนเดียวพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่ไม่มีใครบอกว่าคําสอนพระพุทธเจ้านี้ไม่จริงไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีมมนี้ไม่มีใครพูดเลย mm hmm. เราต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้คือเชื่อเพื่อ น, นํามาใบพิสูจน์ถึงแม้จะเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราเห็นมันเรายังไม่เห็นมันอยู่ดีเราก็ต้องใบ ป, ปฏิบัติไปพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ดังนั้นถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เท่านั้นเองคําถามจากคุณจตุรง ผมพยายามภาวนาพุโทโธในทุกอริยบทที่ระลึกได้ครับเมื่อมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นผมก็ว่าพุโทโธอารมณ์นั้นก็ดับไปในบางครั้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตและดับที่จิตทั้งนั้นผมภาวนาถูกทางไหมครับ ถ, ถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องพุโทโธต่อไปไม่มีอะไรจะสู้พุโทโธได้อารมณ์ต่างๆมันจะร้ายกาจขนาดไหน ถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธเดี๋ยวมันต้องหยุดเองคำถามจากผู้ฝากถามจะทำอย่างไรในการใช้ชีวิตภาวนาไปด้วยและต้องทางานไปด้วยครับก็แบ่งเวลา เ, เวลาทํางานก็ทำงานเวลาไม่ทำงานก็ไปภาวนาจัดเวลาทำไมเราแบ่งเวลาไปเที่ยวได้แบ่งเวลาไปทำอะไรได้พอจะไปภาวนานีจัดไม่เป็นชนะ มันก็เหมือนกันเพียงแต่ต้องเอาเวลาไปเที่ยวมาภาวนาแทนเท่านั้นเองเอาเวลาไปเล่นมาภาวนาคือนี่แหละก็วิธีที่จะมีเวลาก็ถือถือศีลแปดเนี่ยพอศีลแปดมันก็ห้ามดูหนังฟังเพลงละห้ามไปร่วมหลับนอนกับแฟนลนะมันก็มีเวลามาภาวนาได้คำถามจากคุณสมศักดิ์ขอทราบหลักปฏิบัติ เพื่อความเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ครับเ อ, อเพื่อขั้นต้นก็ต้องมีศีลก่อนถ้ยังไม่มีศีลห้าก็รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ไปรักษาศีลแปดต่อรักษาศีลแปได้ก็ไปหัดสมานั่งสมาธิทำจิตให้รวม เ, ออเป็นอัปปนาสมาธิเรามีสมาธิแล้วทีนี้ก็ไปสอนไปศึกษาธรรมชาติคือร่างกายของเรา ว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราต้องปล่อยวางเมื่อมันไม่ตัวเราห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเท่านั้นเองในเมื่อเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเราไปกลัวอะไรมันไม่ใช่เราให้มองให้เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม นั่งภาวนากําหนดพุทโธและดูลมหายใจรู้สึกว่าเข้าถึงความสงบได้เร็วตัวชาเงียบสงบหายไปแต่รู้สึกลมเข้าออกชัดพุทโธชัดได้นานพอสมควรครับอันนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกทก็ดูต่อไปดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมสงบนิ่งแล้วพุทโธกับลมหายใจก็หยุดไปเองคําถามจากคุณราชัน ผมชอบนอนบริกรรมพุทโธและชอบนอนฝันว่าจิตหลุดออกจากร่างกายหลายครั้งแต่ในความฝันนั้นรู้สึกตัวเองมีสติตลอดแรกแรกแค่จิตรู้สึกว่ากลับเข้าร่างกายก็จะตื่นทันทีแต่พักหลังๆพอ เวลาบางครั้งมันเหมือนไม่ยอมสะดุ้งตื่นทั้งทั้งที่พยายามบังคับให้ตัวเองสะดุ้งตื่นซึ่งขณะนั้นมีสติรู้ตลอดครับควรจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้รู้สึกกลัวมากครับไม่มีอะไรน่ากลัวก็มันก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ตื่นถ้ามันไม่อยอมตื่นมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะขี้เกียจ ต, ตื่นยังไม่อยากตื่นก็ปล่อยมันนอนต่อไปอแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงเวลามันก็ตื่นเอง คำถามจากผู้ฝากถามผมพยายามนั่งสมาธิให้ได้เยอะๆในวันหนึ่งอยากจะปฏิบัติให้ได้หลายรอบทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่พอทำเยอะก็เกิดอาการปวดหลังบางวันถึงกลับอ่อนเพลียเลยต้องกลับมาปฏิบัติแบบเบาๆเหลือวันละสามรอบเคยคิดท้อเหมือนกันว่าตัวเองทำไมวาสนาน้อยร่างกายไม่เอื้ออานวยไม่สามารถปฏิบัติได้เยอะๆ อยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับก็ไปดูว่าร่างกายมันเป็นมันปัญหาอะไรหรือเปล่ามันมีโรคมีอะไรหรือเปล่าซ่อมได้ก็ซ่อมไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้จะก็อย่าไปคิดอะไรให้มันป่วยการเลยให้ทุกข์ไปเปล่าๆก็ต้องยอมรับกับสภาพของเราตอนนี้เราทำได้เท่านี้ก็ทำไป ไม่แน่หรอกมันทําไปเรื่อยๆมันก็ถึงแม้จะน้อยแต่ถ้าทําบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะทําให้เกิดผลขึ้นมาก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องหักโหมทําทีเยอะๆวันที่ทําทีละเล็กทีละน้อยมันก็ค่อยสะสมไปเหมือนตักน้ําใส่ตุ่มเนี่ยตักวันละสิบขันกับตักวันละขันมันก็เต็มเหมือนกันเพียงแต่มันเต็มช้าเต็มเร็วนั่นเองพวกที่ตักสิบขันมันก็เร็วหน่อยพวกที่ตักหนึ่งขันมันก็ช้าหน่อย แต่ถ้าตักไม่หยุดเดี๋ยวมันก็เต็มถังเหมือนกันให้คิดแบบนี้เราจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายหรือเลอกทาไปเลยบางทีคิดว่าวาทนาไม่พอทำไปแล้วไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็จบถูกกิเลสมันคว่มลงนะถูกกิเลสนับนับสิบนะเราต้องทำไปเรื่อยๆทำได้มากทำได้น้อยก็ทำไปวันไหนทำมากก็ทาได้มากก็ทำมันวันไหนทำได้น้อยก็ทาน้อย ร่างกายมันมันมีภาวะต่างๆที่มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็มีกำลังมากบางทีก็กำลังน้อยบางทีก็มีเรื่องต่อต้านมากเรื่องต่อต้านน้อยฉะนั้นก็ต้องทำไปตามเหตุการณ์ทาเท่าที่เราทำได้ทำให้สุดความสามารถของเราก็แล้วกันคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามก่อนนอนเดินจงกรมตื่นขึ้นมาตีสองนั่งภาวนาพุทโธและดูลม ปรากฏว่าเข้าสมาธิได้เร็วครับรู้สึกตัวเบาลมและเห็นลมหายใจชัดผมทำถูกไหมครับถูกทำให้มากขึ้นก็นแล้วกันทำให้บ่อยขึ้นทำให้ต่อเนื่องอย่าหยุดนยอย่าหยุดทำถ้าไม่มีเหตุการณ์บังคับให้หยุดก็ทำไปถึงเวลาก็ทามันไปให้มันเป็นนิสยัยแล้วมันจะทำง่ายขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากคุณปรางอยู่ที่บ้านถือศีลแปด สามารถใช้มือถือเปิดฟังคลิปฟังธรรมะหรือไลฟ์ธรรมะในบางช่วงได้ไหมครับได้ถ้าฟังธรรมได้อยู่อ่านหนังสือธรร ม, มะได้อยู่แต่ถ้าบันเทิงนี้ไม่ได้บรรเทิงมหรสพต่างๆนี้ไม่ได้คำถามจากผู้ฝากถามกับเรียนถามพระอาจารย์จิตคือใจจิตอยู่เหนือความคิดถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ จิตใจความคิดนี่มันอยู่ด้วยกันอะมันไม่เหนือหรอกมันเป็นส่วนประกอบจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่มันอยู่ร่วมกันเป็นที่เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่เราไปแยกชื่อเมนันนันเองว่าเวลารู้เราก็เรียกว่าใจเวลาคิดก็เรียกเราก็เรียกว่าจิตอะไรไปเท่านั้นเองมันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราจะไปว่ามันเป็นผมก็ได้มันเป็นขนก็ได้ มันเป็นเล็บเป็นฟันก็ได้มันก็อยู่ด้วยกันมันก็มาอยู่ที่มันมาจากที่เดียวกันเป็นส่วนประกอบของจิตใจเราจึงมักจะพูดบางทีพร้อมๆกันจิตใจคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามโยมมีเรื่องทุกข์ใจเพราะสามีเนื่องจากเขาชอบออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าน ไปดื่มตามผับบาร์บ่อยและกลับบ้านดึกเจ้าค่ะอพอบอกเขาดีๆว่าอย่ากลับดึกเพราะว่าความเป็นห่วงเขาก็โกรธบอกว่าถ้ายอมรับไม่ได้ก็ออกที่เขาออกไปดื่มก็เลิกกันโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ชีเนี่ยด้วยเจ้าค่ะก็ดีจะบอกจะได้เลิกกันได้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาทำไมไม่เลิกล่อถ้าไม่เลิกก็อย่าไปโทษใครก็โทษเราเนี่ยแหละใช่ไมอม เกินไม่เข้าคายไม่ออกจะเลิกก็ทุกจะอยู่กันก็ทุกไม่รู้จะเอาทางไหนดีเราคิดว่าทุกจากแยกกันจะดีกว่าเนะ่ทุกจากแยกกันมันก็ทุกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ลืม ก, กันแล้วเดี๋ยวก็หายทุกแล้วแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็ทุกไปจนวันตายนะคำถามจากผู้ฝากถามการนั่งสมาธิผมเพิ่งฝึกหัดใช้คำบริกรรมพุทโธ กำกับลมหายใจไปเรื่อยๆจนลมหายใจได้ละเอียดจนหายไปแล้วครับเหลือแต่สติกับคำบริกรมที่ยังปรากฏอยู่และไม่รู้จะทำอย่างไรก็พยายามระลึกให้ลมหายใจปรากฏขึ้นมาอีกแล้วก็เอาพุโทโธไปกำกับลมหายใจอีกทำแบบนี้บ่อยๆไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับไม่ถูกอะถ้าลมหายก็ไม่ต้องไปหามันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไป ถ้าไปค้นหาพุโทโธค้นหาลมจิตก็ต้องทำงานไม่ต้องไปค้นหาลมถ้าลมหายไปถ้ายังพุโทโธอยู่ได้ก็พุโทโธต่อไปคำถามจากคุณนันถ้านั่งสมาธิรู้สึกคันแล้วเราต้องการที่จะเกาจะนั่งต่อได้ไหมครับหรือปล่อยให้คันต่อไปครับถ้าไปเกามันก็เหมือนกันกลับไปเริ่มต้นใหม่ ขับรถออกจากบ้านได้สิบกิโลเอาลืมของกลับขับรถกลับไปบ้านใหม่เดี๋ยวพอคันอีกก็กลับไปมันก็ไปไม่ถึงไหนถ้าอยากจะไปไม่ไม่ต้องกลับก็อย่าไปเกาเหมือนอย่าไปแตะร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายร่างกายจะกันจะเกาจะคันหรือจะน้ําลายจะไหลหรืออะไรก็ตามปล่อยมันเป็นไปเรื่องของมันเราทิ้งมันละตอนที่เราภาวานานี้เราต้องการทิ้งร่างกายจิตถึงจะเข้าสมาธิได้ ถ้ายังกลับมาหาที่ร่างกายอยู่มันก็เข้าสมาธิไม่ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแฟนผมทำผิดสินข้อสามเขาสำนึกได้แล้วก็มาพูดความจริงกับผมครับและตั้งสัจจะว่าจะรักษาสินข้อนี้ตลอดชีวิตและรอวันให้ผมให้อภัยผมเพิ่งรู้จักผมเพิ่งรับรู้จากปากของเขาเขามีความทุกข์มาก ไม่รู้จะบอกให้เขาคลายทุกข์ได้อย่างไรครับอ๋อก็บอกเขาว่าเราก็ให้อภัยเขาแล้วเราไม่ถือโทษก่อกเคื่งกั น, กนยอมรับว่าคนเราผิดพลาดได้นักสี่เท้ายังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พั้งแล้วสองเท้าอย่างเราทำไมจะทำความผิดไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าผิดแล้วมีความสานึกผิดนี่ก็ถือว่าดีมีโอกาสที่จะแก้ไขได้แต่ก็ต้อง แต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากว่านี่แหละผลของการกระทําผิดเป็นยังไงทําผิดแล้วก็ทําให้ทุกข์มากถ้าไม่อยากทุกข์ต่อไปก็อยากทาอีกคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสิ่งที่ผู้รู้ผู้คิดคิดคืออันเดียวกับสิ่งที่สมองคิดไหมครับสมองคิดไม่ได้แร้สมองเป็นเพียงแต่ผู้ส่งสัญญาณ ไปตามร่างกายให้ร่างกายทำงานท่านหนึ่งให้ยกแขนยกขาแต่ก่อนที่จะยกแขนยกขาได้ต้องรอความคิดสั่งสั่งให้ยกแขนแล้วประสาทก็จะทางสมองก็จะส่งไปที่แขนให้ยกแขนขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันเป็นเพียงแต่เครื่องจกักรเครื่องกลสมองนี่เป็นเหมือนเครื่องกลเหมือนในยนุคนี้ในรถเขามีเครื่องคอมบังคับรถใช่ไหมบังคับรถให้เปิดแอร์ให้เราอะไรแต่เราต้องเป็นคนสั่งให้มันเปิด สั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเครื่องควมมันก็จะไปสั่งรถอีกทีนึงให้ทําตามที่เราสั่งสมองก็เป็นแบบนั้นก็ถึงเรียกสมองกลไงคอมพิวเตอร์ในรถนี้เรียกว่าสมองกลเป็นสมองแต่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งผู้สั่งคือจิตหมดแล้วเหรอพอดีก็เวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ